สามคำสำคัญในชุดของศีลได้แก่ศีลวินัยสิกขาบทอย่างไรก็ตามแม่จะพูดเรื่องนี้เพียงเป็นส่วนแทรกแต่ในเบื้องต้นจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับถ้อยคำเล็กน้อย คือคำว่าศีลนี้เราพูดอย่างชาวบ้านว่าเป็นคำพระคำหนึ่งและคำพระแทบทุกคำก็มาจากภาษาบาลีบรรดาคำเหล่านี้แต่เดิมในภาษาบาลีเองหลายคำมีความหมายแยกไปได้หลายในยะซับซ้อนอยู่แล้วพอนำมาใช้ในภาษาไทยพูดต่อๆกันไปความหมายที่เข้าใจก็ผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อนไปต่างๆ บางคำถึงกับมีความหมายกลายเป็นตรงข้ามจากเดิมก็มีจึงต้องคอยซักซ้อมทบทวนกันไว้ให้ดีศีลที่แปล ง, ง่ายๆว่าความประพฤติที่ดีนี้มีคำในชุดเดียวกันที่สำคัญซึ่งควรเข้าใจให้ชัดและแยกกันให้ถูกรวมสามคำคือศีลวินัยและสิกขาบททั้งสามคำนี้ ในภาษาบาลีเดิมมีความหมายแยกต่างกันชัดเจนแต่บางครั้งก็มีการใช้แบบหลวมๆ ห, หรือแบบภาษาชาวบ้านโดยในบางโอกาสก็ใช้แทนกันบ้างแต่ถ้าพูดกันเป็นงานเป็นการอย่างที่เรียกว่าเป็นวิชาการก็ใช้ในความหมายที่เคร่งครัดแยกกันออกไปไม่ให้สับสนปนเปส่วนในภาษาไทยคำพระจากภาษาบาลีเหล่านี้ ได้ใช้ปนเปและผิดเพี้ยนไปไม่น้อยแล้วคงแก้ไม่ไหวผู้ที่ศึกษาควรรู้ตระหนักไว้และใช้อย่างรู้เท่าทันโดยมีความเข้าใจในความหมายที่แท้ชัดแจ้งอยู่ภายในของตนในที่นี้เมื่อเป็นเรื่องแทรกก็ไม่ควรใช้เวลากับเรื่องนี้มากขอแสดงความหมายที่แท้ของคำทั้งสามดังนี้ ศีลบาลีว่าศีละคือความประพฤติดีงามสุจริตที่แสดงออกทางกายและวาจาเป็นคุณสมบัติของคนที่ประพฤติดีอย่างนั้นเป็นคารวมๆเพราะฉะนั้นตามปกติจึงใช้เป็นคำเอกพจน์ไม่เป็นข้อข้อวินยัยบาลีว่าวินัยก คือระเบียบหรือแบบแผนความประพฤติความเป็นอยู่และการประกอบกิจดาเนินการต่างๆซึ่งจัดตั้งวางไว้โดยเป็นประมวลแห่งข้อบัญญัติข้อปฏิบัติข้อกำหนดกฎน้อยใหญ่สำหรับฝึกฝนควบคุมกำกับความประพฤติและการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะเกิดความเรียบร้อยดีงามและความเจริญงอกงามสำหรับความมุ่งหมาย วินัยนี้ก็เป็นคำ ร, มรวมๆจึงใช้เป็นคำเอกพจน์สิกขาบทบาลีว่าสิกขาปะทะแปลว่าข้อศึกษาข้อฝึกความประพฤติคือข้อบัญญัติโดยเฉพาะข้อที่พระพุทธเจ้าส่งบัญญัติไว้เป็นข้อปฏิบัติที่จะต้องทำหรือต้องเว้นการใดๆตามที่บัญญัติไว้นั้น เพื่อให้มีความประพฤติและการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามจะเห็นว่าสิกขาบทเป็นข้อข้ อ, ขอเมื่อพูดถึงหลายข้อก็เป็นประหุบทตามที่ว่านี้สิกขาบททั้งหลายทั้งหมดรวมกันเป็นวินยัยการปฏิบัติตามสิกขาบททั้งหลายคือตั้งอยู่ในวินยัยหรือความประพฤติที่ถูกต้องตามสิกขาบทเป็นไปตามวินยัยก็เป็นศีล เช่นว่าสิกขาบท227เข้อเรียกรวมกันว่าวินัยของภิกษุภิกษุที่ตั้งอยู่ในวินัยของภิกษุคือประพฤติถูกต้องตามสิกขาบทสำหรับภิกษุก็เป็นผู้มีศีลสิกขาบท311รข้อเรียกรวมกันว่าวินัยของภิกษุณีภิกษุณีที่ตั้งอยู่ในวินัยของภิกษุณี คือประพฤติถูกต้องตามสิกขาบทสําหรับภิกษุณีก็เป็นผู้มีศีลศิกขาบทหข้อสําหรับคฤหัตคือชาวบ้านทั้งหลายมีเว้นจากปานาติบาเป็นต้นที่เรียกเป็นศัพท์ว่าปัญจะสิกขาบทหรือเบนจะสิกขาบทเมื่อคราหัตประพฤติถูกต้องตามสิกขาบทหนี้ก็เป็นผู้มีศีลบาง ท, เทีเรียกเป็นศัพท์ว่ า, าบเนาบนจะสิขาบทศีล สิกขาบทสำหรับขรือหัดหข้อเป็นหลักปฏิบัติที่ถือกันมาในสังคมสืบแต่โบราณพระพุทธศาสนายอมรับตามนั้นและก็ไม่ได้มีข้อบัญญัติมากหลายที่จะประมวลขึ้นเป็นวินัยดังนั้นตามปกติจึงไม่พูดถึงวินัยของขรือหัดเหมือนรู้กันว่าก็คือศีลห้านั่นแหละแต่บางทีพระอัฏกถาจารบางท่านจัดหลักธรรมบางชุด ให้เรียกว่าเป็นวินัยของคฤือหัดดังที่คมพีสุมังคละวิลาสินีบอกว่าสิงค์คารั ส, สูตรเป็นกิหิวินัยคือวินัยของคฤือหัดและประมัตตโชติกาจัดให้ว่าการเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบเป็นอาคาระยะวินัยคือวินัยของผู้ครองเรือนที่ว่ามานี้เป็นความหมายหลัก หรือเป็นการใช้คำอย่างเคร่งครัดแต่ดังที่กล่าวแล้วว่ามีการใช้คำเหล่านี้อย่างหลุ่มหลมด้วยคือบางทีเรียกแทนกันได้ที่คุ้นกันดีก็ได้แก่ศิกขาบทห้าหรือเบนจะสิกขาบทซึ่งนิยมเรียกกันว่าศีลห้าหรือเบนจศีลในพระไตรปิฎกมีเรียกว่าศีลห้าหรือเบนจะศีลน้อยอย่างยิ่งเหตุที่เรียก คงเป็นเพราะคำว่าเบนจสิกขาบทยาวเรียกยากเวลาพูดอย่างไม่เคร่งครัดโดยเฉพาะในคาถาซึ่งต้องการคำสั้นๆก็เลยเรียกเป็นเบนจสีนแต่ในสมัยอัตตกฐถาเรียกเบนจสีนหรือปัญจสีละมากมายครั้นมาเมืองไทยคนทั่วไปเรียกสิกขาบทห้านั้นตามนิยมของยุคหลังนี้ว่าศีหห้า หรือเป็นจีลจนไปไปมามาแทบไม่รู้จักคําว่าสิกขาบทแต่เวลาสมาทานถ้าสังเกตจะเห็นชัดเมื่อศีลมาใช้แทนสิกขาบทศีลก็เลยกลายเป็นตัวข้อปฏิบัติแต่และอย่างเป็นข้อข้อได้ใช้เป็นพระหูพจน์ได้ไม่ใช่แค่เป็นคุณสมบัติของคนไม่ใช่แค่เป็นภาวะของคนที่ประพฤติดีถูกต้องตามวินัย เป็นไปตามสิกขาบทส่วนวินัยนั้นในภาษาบาลีเดิมเป็นคําใหญ่มากและมีความหมายกว้างขวางมากหลายนายัยยะเช่นเป็นระบบใหญ่คู่กับธรรมในคําว่าธรรมวินยัยความหมายหลายอย่างของวินยัยอยู่นอกจุดสามที่รวมกับศีลและสิกขาบทนั้นพอเข้ามาในภาษาไทย เพราะเป็นคำที่มีความหมายกว้างอย่างที่ว่าและไหนจุดนี้เองก็เป็นคำที่อยู่กลางระหว่างศีลกับสิกขาบทในเมื่อคำเหล่านี้เวลาใช้อย่างลุ้มลมก็พอแทนกันได้อยู่แล้วคนจับที่คำต้นคือศีลกับคำท้ายคือสิกขาบทคงรู้สึกว่าพอแล้วก็เลยหยุดเอาแค่นั้นคำว่าวินัยก็เลยมีความหมายค่อนข้างพร่าพราคลุมคลุม ยิ่งกว่านั้นขณะที่ในวัดหรือในพระศาสนาวินัยใช้กันในความหมายแบบ ก, กว้างๆคลุมคุ ม, ลมและพลาด้วยคานี้กลับออกไปเป็นคำที่ใช้มากในสังคมของชาวบ้านชาวเมืองตลอดจนในวงงานกิจการสมัยใหม่แต่มีความหมายแคบลงไปมากกลายเป็นเรื่องของการควบคุมตัวและควบคุมกันให้อยู่ในระเบียบให้ทาตามข้ อ, อบังคับ ให้เป็นไปตามกติกาเช่นวินัยจราจรและแถมว่าในแง่หนึ่งวินัยมีความหมายกลายเป็นคุณสมบัติของคนคือความเข้มแข็งที่สามารถบังคับควบคุมตนให้อยู่ให้ทำได้ตามหลักการตามกฎกติกาตรงนี้ก็สับสนกับศีลด้วยถึงตอนนี้เหมือนมีการแบ่งแยกกันออกไปคือทางฝ่ายวัด หรือทางพระศาสนาใช้คําว่าศีลส่วนทางฝ่ายคนนอกวัดหรือทางบ้านเมืองและสังคมภายนอกใช้คําว่าวินัยดังที่ว่าเวลาพูดคําว่าศีลขึ้นมาคนไทยทั่วไปก็จะนึกว่าเป็นเรื่องไปที่วัดหรือทางศาสนาทั้งที่ว่าทั้งศีลและวินัยเป็นคําสําคัญทั้งคู่ในพระพุทธศาสนาทีนี้เรื่องไม่ใช่แค่นั้น หันกลับมาดูที่วัดเมื่อคนซึ่งก็รวมทั้งพระห่างเหินเนื้อหาสาระของพระธรรมวินัยออกไปออกไปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับถ้อยคําทางธรรมวินัยนั้นก็รางเลือนลงร่างเลือนลงแม้แต่สามคำในชุดที่พูดถึงนี้ก็เสื่อมถอยจากวิถีชีวิตลงไปอีกกล่าวคือในสามคำนั้นจะเห็นว่าคําแรกคือศีล ที่เป็นคุณสมบัติในตัวคนหรือเป็นภาวะของคนนั้นก็คือเป็นจุดหมายของสองคำหลังเพราะที่ฝึกบุคคลด้วยศิขาบทโดยควบคุมตรวจสอบให้เป็นไปพร้อมด้วยวินัยนั้นก็เพื่อให้เขาเป็นคนมีศีลหรือเพื่อให้ศีลเกิดขึ้นในตัวคนไปไปมาในที่สุดคำว่าศีลคำเดียวกลายเป็นใช้แทนได้หมด ทั้งแทนสิกขาบทก็ได้แทนวินัยก็ได้เลยเหลือแต่ศีลคำเดียววินัยกับสิกขาบทเหมือนอยู่แค่หลังฉากแต่พร้อมกับที่ศีลมีความหมายคลุมหมดก็พร่มัวไปด้วยแล้วเรื่องก็ไม่ใช่เท่านั้นอีกที่ว่าศีลเป็นจุดหมายนั้นหมายถึงเป็นจุดหมายในการพัฒนาคนดังที่ในหลักการศึกษาคือไตรศิขา มีศีลเป็นข้อต้นในชุดศีลสมาธิและปัญญาเรียกให้เต็มว่าอธิศีลสิกขาอธิ จ, จิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาแปล ง, ง่ายๆรวบรัดว่าศึกษาคือฝึกฝนพัฒนาให้มีศีลยิ่งขึ้นไปให้จิตใจมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปและให้มีปัญญายิ่งขึ้นไปตรงนี้เป็นเรื่องของการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องของคนที่ว่าชีวิตคนจะดีได้โลกมนุษย์จะดีได้ก็ต้องพัฒนาคนให้ดีให้สมบูรณ์ให้มีคุณภาพสูงสุดอย่างน้อยคนก็เป็นผู้ไปทำกิจกรรมแม้แต่ในสังคมศีลก็จึงมาอยู่ที่ตัวคนแล้วก็แยกเป็นแต่ละบุคคล แต่มองย้อนออกไปดูในกระบวนการฝึกคนนั้นจะเห็นชัดว่าในการพัฒนาคนแม้แต่ละคนแต่ละคนให้เจริญงอกงามนั้นต้องมีการรู้จักอยู่ร่วมสัมพันธ์กับคนอื่นๆในสังคมมีการทำกิจกรรมในสังคมนั้นทั้งแต่ละคนและร่วมกันตั้งแต่กิจกรรมเพื่อเจริญกายจนถึงกิจกรรมเพื่อเจริญปัญญา มีการจัดสภาพแวดล้อมการจัดสรรแบ่งปันปัจจัยสี่และสับประรดการกินอยู่การประกอบอาชีพการปกครองและอื่นๆอีกสารพัดนี่คือวินยัยแม้ว่าวินัยจะเพื่อศีลอยู่ในชุดร่วมกับศีลก็ตามแต่วินัยก็มีขอบข่ายเขตแดนแตกต่างจากศีลไม่ใช่เป็นเพียงคำที่ใช้แทนกันได้ หรือสับสนปนเปหรือพลามัวอย่างที่ความเข้าใจของคนได้เสื่อมลงไปได้อธิบายมาเพียงนี้พอให้เข้าใจความหมายของถ้อยคำที่สำคัญเพื่อเป็นฐานของการที่จะพูดเรื่องศีลกันต่อไปในด้านหนึ่งก็จะได้รู้เข้าใจความหมายที่แท้จริงให้ชัดเจนแต่พร้อมกันนั้นในอีกด้านหนึ่งก็จะได้ตรหนักถึงสภาพปัจจุบัน ที่ได้มีความเข้าใจความหมายของถ้อยคำเหล่านี้ไม่เพียงพอโดยมองเห็นว่าความหมายได้คับแคบคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไปอย่างไรแล้วศึกษาอย่างรู้เท่าทันที่จะให้ได้ผลตามที่มุ่งหมายขอแทรกเล็กน้อยว่าในเรื่องวินยัยในความหมายเชิงสังคมนั้นได้กล่าวไว้ในบทที่ว่าด้วยเรื่องกรรมบ้างแล้วควรจะศึกษาอย่างโยงถึงกันด้วย เมื่อทำความเข้าใจกันอย่างนี้แล้วก็จะพูดถึงเรื่องศีลในเชิงสังคมโดยถือความหมายของคำตามที่เข้าใจกันแบบกลุ่มๆในปัจจุบันเช่นเป็นคำที่ใช้แทนกันได้และใช้ปนกันไปกับคำในชุดเดียวกันครั้นแล้วพร้อมด้วยความรู้เท่าทันนั้นก็ศึกษาจับสาระของเรื่องราวให้ชัดเจนดังที่จะกล่าวต่อไป